ขันธจักมีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูลภิกษุจงใจพยายามเพื่อความหายโรคและเพื่อความสุขน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายามเพื่อความหายโรคและเพื่อเป็นยาเพื่อความหายโรคและเพื่อเป็นทานเพื่อความหายโรคและเพื่อเป็นบุญเพื่อความหายโรคและเพื่อบูชายันเพื่อความหายโรคและเพื่อจะไปสวรรค์ เพื่อความหายโรคและเพื่อสืบพันธุ์เพื่อความหายโรคและเพื่อทดลองภิกษุจงใจพยา ย, พยามเพื่อความหายโรคและเพื่อความสนุกน้ำอสทธิเคลื่อนต้องอบัตสังคาทิเศษขันธจักมีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูลจบ